เธอไม่ต้องพูดรือะไรแค่มองแตากูนั้นฉันรู้เธอเองก็วันวาเข้าไกลอีกนิดหนึ่งได้ไหมไม่อยากให้คืนนี้ ว่าฉันได้ฝันอีกนิดได้หรือเปล่าจะเธอไม่รีบร้อนจะ อ, อยู่กันได้ไหมขอแค่รู้ได้ของ ต, อตาไปจับมือของฉันไหม I do it how you like it Can you stay with me a little longer Stay with me a little longer ต้ อ, องรักคง ยุดมุ่มันไม่เพียงคย่เท่านั้นอด t นแค่พรุ่งนี้จะเป็นไงฉันมันมันไม่สงคัญขอฉันได้ฟังอีกนิดได้หรือเปล่าจะเธอไม่รีบร้อนจะอยู่กันได้ไหม นึกได้หรือเปล่าจะเธอไม่รีบร้อนจะอยู่กันได้ไหมขอแค่เราได้มองตาและจับมือของฉันไหมอ o จจ h o ึ s อ o u l ุดลายเกศขอฉันได้ฟันอีกนิดได้หรือเปล่าจะเธอไม่รีบร้อนจะอยู่กันได้ไหม 会更甜。